พอดีเมื่อประมาณสามอาทิตย์ก่อ น, นครับผมอยากถามครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยยากถามทอะไรนะก็วันนั้นนะครับผมก็นอนอยู่ในห้องก็ฟังธรรมาไปด้วยนะครับทีนี้พอดีหมอไปน้องกต่างแล้วมันเห็นทองฟ้าครับแล้วดีใจมันก็ว่างไปเลยผมเลยคิดว่าเป็นสมณฑะอะไรสักอย่าง น, น, นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะทำอะไรเลยครับ ก็จะถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือพอฟังซีดีของพ่อมากๆนี้ใช่ไหยครับมันรู้สึกว่ามันเกรงนะครับพอจะทำอะไรมันก็แบบนึกถึงของพ่อมาก่อนเลยเงี้ยครับมันเห็นภาพเลยครับก็เลยแบบช่วงนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ก็ฟังน้อยๆนะฟังเท่าที่จำเป็นครับฟังมากก็เปลือไปจำเป็นสำหรับคนหัดเริ่มต้น่ะฟังให้รู้เรื่องรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องฟังเยอะ ดูให้เยอะๆดูของเราเองธรรมะที่หลวงพ่อพูดมันก็ธรรมะเฉพาะตัวธรรมะของใครก็ของคนนั้นแหละก็ตัวเราเองเราเข้าใจให้มาแล้วมันก็ลงเงนเดียวกันแต่เราเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติบาคนนะทรมานตัวเองแต่มาถ่ายรูปหลวงพ่อไปขยายติดไปรอบบ้านเลย แสร็จแล้วก็มาขออนุญาตปลดออกได้ไหมบกแวแผนเองก็ปลดเองสิเนาะเขาขว้วาไปหมดเลยนะจร <c oughs> ิงนั่นเอาไว <c oughs> ้กันผีหลวงพ่อครับแล้วสมมุติว่าตอนนี้เราจะทําอะไรไม่ดีแล้วมันนึกถึงหลวงพ่ออย่าเงี้ยเราควรจะดูไงดีครับก็ดูกิเลสเราแล้วก็อย่าไปทํามันเรามีสติขึ้นมาแล้วก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรมีฮิริโอตตะ ลายบาปตัวผลของบาปไม่ทำตั้งใจงดเว้นบาปบาปกุศลทางกายทางวาจาแต่ทางใจไม่ได้งดเว้นัางใจให้มันปลุงขึ้นมานะแต่เราอย่าไปช่วยมันปลุงคือจิตเนี่ยปลุงกุศลบ้างกุศลบ้างไม่เข้าไปแทรกแซงให้ตามรู้ไปเร้เลยตามรู้ไปจนเห็นว่ามันทำงานได้เองเราบังคับมันไม่ได้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 ดูไปเรื่อยๆหลวง เ, เคยเจอครูบาอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์หัวงู่มั่นแต่นั้นท่านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลที่บูดีลำเขาไปกราบท่านไปเยี่ยมสนทนาธรรมะกับท่านนะท่านน้ำตาครอเลยนะท่านบอกว่ารุ่นเดียวกันนะเขารอดไปหมดแล้วมีท่านคนเดียวไม่ได้อะไรเลยแต่แต่สมาธิแต่ว่าท่านไม่เลิอกอยงเี้ถึงจะลำบากยังไง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 แไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะจะอดตายอยู่บนเขาแล้วตายจริงจริงือก่อนที่เขาจะง่ายก็ยากาแลนวหรือเราเห็นครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยพูดเหมือนๆกันนะว่าการปฏิบัติมันง่ายนะง่ายนะแต่ส่วนมากพอท่านพูดว่ามันง่ายนะง่ายนะสักครั้งหนึ่งท่านอย่าเงียบๆอย่างพักนะท่านก็จะลำธึงมันก็ยากเหมือนกันแหละหลายองค์นะพูดอย่างนี้ผก็ได้ยินมาเอก ตอนอ่านไปแล้วก็บาง่ายง่ายนะทำไมพวกเราทำอะไรงูยย้นอย่างนั้นอ้ อ, อมพร้ อ, อมอยู่ยนั้นทำไมอ้อมไปอ้อมมาทำไมมัวแต่ปลูงแต่งทำไมไม่รู้ท่นานความปลูงแต่งจนเลิกปลูกแต่งนี่พูดประโยคสั้นๆนะคือจะหลายปีเนะพอท่านนึกถึงตอนที่ท่านลงลุกลุกค ล, ลานมาท่านก็จะบอกลําตึงลําพันนะคือมันก็ยากเหมือนกันแต่จะยากจะง่ายก็ต้องสู้นะมันคือการสู้เพื่อเอาตัวรอดเล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 แต่และองค์แต่และองค์นะประเภทรอดตายมาบางองค์ถึงศ า, ศาสับกรนาดสอนนิพพานอยู่ภาคใ ต, ต้ยึงพ้นตายไปเราคนได้นะแต่ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็คือถูกย่ํำดีไปเรื่อยๆตกเป็นขี้ข้าไปเรื่อยๆตกเป็นทาสนะพวกเราแต่และคนกําลังเป็นทาสอยู่เจ้านายของเราคือปัญหา สั่งเราทั้งวันสั่งเราทั้งคืนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราเป็นธาตที่ไม่ได้สํานึกว่าตัวเองเป็นทาเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเลยแต่ถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจตัวเองออกเราจะเห็นเลยเราถูกสั่งทั้งวันเดี๋ยวก็สั่งให้ไปดูนั้นไปฟังเพลงสั่งให้ไปกินโนู่นกินนี่นะสั่งให้ไปวัดนะสั่งให้ฟังซีดีฟังซีดีหลวงพ่อทุกสั่งเหมือนกัน เราไม่เห็นตันหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดเลยเป็นนักปกครองที่เก่งมากเลยอยู่ข้อเรียนรัฐศาสตร์นะวิชารัฐศาสตร์สอนการปกครองที่ดีที่สุดน่คือปกครองแบบไม่ได้ปกครองพูดพูดถูกปกครองไม่รู้ตัวว่าถูกปกครองอยู่หรือว่าตัวเป็นอิสระนั่นแนะดีมากเลยตันหาเนี่ยปกครองเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกปกครองสั่งเราทั้งวันนะ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 ให้พวกเราถูกตั่งตลอดวันตลอดคืนไม่มีสุรภาพแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงแต่เรามองไม่เห็นเมื่อเราถูกสั่งราหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้าแล้วเราจะเห็นเจ้าในสัง เ, เกตไหมความอยากมันจะพุดทั้งวันอยากพุดทั้งวันนะได้ยินเสียงอะไรแก๊้ๆข้างหลังเนี่ยอยากดูแลอยากดูต้องหันไปดูนะถ้าไม่ได้ดูล้วไม่สบายใจมันลงโทษ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 มันไม่ใช่เหมือนคนเดินอยู่ที่พื้นแล้วคนที่รอดแล้วอยู่บนภูขเขามันเหมือนคนอยู่ในเหลียวแถมตามบอดด้วยคือไม่รู้ทิศรู ท, ทางมีชีวิตแบบไม่รู้ทิศทางนะน่าสงสารต้องเรียนนะธรรมะเราถึงจะได้ทิศทางว่าเาควรจะดำเนินชีวิตยังไงควรจะพัฒนาจิตใจไปได้ยังไงถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะรู้สึกวังเวง อย่างพวกเราคนไหนที่ภาวนาจนชำนาญเคยชินนะแล้วชาติใจที่ไม่เจอศาสนาพุทธในใจลึกๆมันจะรู้สึกวังเวงรู้สึกว้าเวงมันไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ว่าไม่ได้ทำชั่วนะก็ทำทานถือศีลทำสมาธิอะไรไปแต่มันไม่รู้เป้าหมายของชีวิตจะรู้สึกว่างว่ารู้สึกวังเวงรู้สึกหาที่พึ่งหางที่ยิดเดี่ยวอะไรไม่ได้ไร้ทิศทาง ศึกษาธรรมะเราเข้าใจสิ่งที่พระได้เจ้าสอนแล้วก็เริ่มเห็นทิตทางคนที่เห็นทิตทางครั้งแรกคือพระโสดาบันนะพระโสดาบันถ้ายังไม่ได้โสดาบันนี่ก็ยังไม่รู้ทิตทางศา ส, สนาพุทธเนี่ยอย่างพวกเราเนี้ต้องถือว่าเป็นนักเรียนเตรียมระดับโรงเรียนเตรียมถ้าโสดาบันถึงจะเป็นนักศึกษา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 ยอมเหนื่อยยอมลำบากใหครูบาอาจารย์ตังเกตุท่านแก่งากๆแล้วนะหามไปเทศท่านก็ไปนะบางโงเนยะยังเกนนักดนตรีลูกทุ่งนะวันหนึ่งเดินสายไปที่นี่เดี๋ยวตอนเช้าไปที่นี่สายไปจังหวัดนี้ไปเรื่อยๆความเมตตากรุณามกระตุน้นมันค่อยเป็นเองรู้สึกเห็นอกเห็นใจ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 ปกติก็คือก็ จ, จับลมหายใจปกติขององคองปุ๊บพอความรู้สึกตัวมันตื่นปุ๊บความรู้สึกเหมือนกายมันหลับแต่ข้างในมันตื่นแต่พอเราคิดหรือฝันคือมันเหมือนฝันเหมือนคิดปนปนไอตัวที่ตื่นเดิมอย่าเราตื่นเราก็เหมือนบังคับให้กายนั่งได้อะไรได้แต่ว่าตัวองครู้สึกได้ว่าตัวกายมันหลับลมันหลับไปแล้วอะ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 มันก็ตกกลับไปหลับใหม่มันอยู่อย่างนี้ตลอดโอ้ก็ว่าเอ้ยแปลกดีแต่ก็อย่างเดิมก็คือตรงนั้นก็ไม่มีตัวเรามีแต่สภาวะตื่นแต่แตอยู่แค่เราดแลไม่มีเราหรอมีแต่สภาวะทำงานเพรานั้นเวลาจะนอนที่หลับนะคิดคิดหน่อยๆเดี๋ยวมันหลับปฏิบัติไปบางครั้งรู้สึกว่ามันกลัวค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นความกลัวอยู่ลึกๆก็ตอบไม่ได้ว่ากลัวอะไรคือมันกลัวตัวเองหายไป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 จะเริรู้สึกกลัวสําหรับบางคนนะบางคนจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อบางคนรู้สึกไร้สาระจะหลายแบบคนรู้สึกน่ากลัวมันมียานอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าพยาตูปฐานนะยารู้สึกมันน่ากลัวบางงานก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษของไม่ดีทีกินเอาไว้ยาคนก็รู้สึกเบื่อ เบื่อสุขเบือ่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อยาบเบื่อละเอียดเบืบ่อภายในเบื่อภายนอกเบื่อเสมอตันดหมดที่เรียกว่านิพพิทายากเพราะมันเริ่มเห็นแนละ้วว่าตัวเราไม่มีมเริ่มเห็นแต่มันยังไม่กล้ายอมรับเป็นใจหายบางคนใจหายนะภาวนาไปแล้วเฮ้ยเราหายไปไหนตกใจใจหายมีคนหนึ่งภานา ไปดูแกไปแล้วก็เจอว่าตัวเองหายตกใจตกใจจิตเลยถอยออกมาหลุดออกมาชื่ อ, อนันต์อาจารย์วนวลสิริอยูอยู่ยุวพุทธเขาบอกว่าแกภาวนามาหลายปีนะเพี้ยเงาเพี้เงาได้รับความลำบากเยอะที่แกตังสี่ทีหลวงพ่อเปลี่ยนจากการกำหนดมาเป็นการตามรู้ตามรู้วันแรกรู้ยังไม่เป็น โงงๆอยู่ดับต้นชนปลายไม่ได้วันที่สองเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึม่มแยกออกมาวันที่สามดูไปเลยเห็นขันแต่ละขันกระจายตัวไปแต่ละขันก็ทํางานไปแ ล, แล้วเป็นตกใจว่าตัวเราหายไปไหนแต่ก็ดถอยออกมาขึมาตั้งต้นรวมกําลังใหม่ภ <c oughs> านาแล้วก็อย่างนั้นหลยแล้วก็บางครั้งมันจะเห็นเหมือนว่าความคิดมันอยู่ห่าง <kung S 2> จะความรู้ส er ึกบางอย่างอความคิดมันอยู of of ่ห่างๆนะวิริยะก็อยู่ห่างๆร่างกายก็อยู่ห่างๆความสุขความทุกข์ก็อยู่ห่างๆรู้สึกไหมเห็นแค่ความคิดก็อยู่ห่างๆนั่นแหละดูไปนะอะไรๆก็ห่างหมดถึงจุดหนึ่งมันวางพอมันวางจิตแค่เดียวนะขันทั้งหมดร่วงลงไปหมดเลยนี่มันมันวางมันแคเริ่มเห็นนะความคิดตัวความคิดเนี่มันเป็นบันญับ เห็นอารมณ์มันหยัดห่างๆไปต่อไปเราจะเห็นเืระทั่งอารมณ์ปรามัดก็ั่างรูปก็อยู่ห่างนอย่างเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือมีช่องว่างนะระหว่างจิตกับกายมีช่องว่างระหว่างเวทนาแต่จิตก็มีช่องว่างระหว่างสังขารกต่จิตก็มีช่องว่างไม่กระทบก็ถึงกันนีถ้าภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยจะรู้สึกสบายปลอดภัยเลย อะไรๆก็ไม่กระทบเข้ามาที่จิตที่ใจแต่ยังซึมวนรักษาจิตใจถ้าวันใดวางจิตวางใจลงไปได้นะ้ขันห้ามจะร่วงไปทั้งยวงเลยเพาจริงๆแค่มีจิตตัวเดียวนี่แหละมันสร้างขันห้าได้ทั้งหมดดีครับทนะ่านจิตมันแข็งนิดหนึ่งดูออกไหมมันเกินจริงนิดหนึ่งมันไปรวบเอาไว้ไปบังคับกรรมไว้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 มันขยํำขยี้จิตใจตัวเองทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ขยําทีหนึ่งถ้ายังไม่เกิดความอยากก็หยิบไม่เฉยเไม่เฉยเฉยหยิบไม่เฉยเก็ทุกนะเพราะทานทีที่เราหยิบไว้มันจะมีน้ําหนักขึ้นมายังไม่ทันขยําเลยแค่มีน้ําหนักก็ทุกแล้วถ้าวางลงไปไม่มีน้ําหนักก็ไม่ทุกนี่ส่วนมากก็หยิบขึ้นมาแล้วไม่หยิบเปล่าขยำด้วยขยําทั้งวันโอ่งดูออกใช่ไหม อยายามอยู่เัลยก็ทุกหนักหน่อยบีบแรงบ้างบีบเบาบ้างอาคุณทันทิพย์ทันที่ทํากระถิทนที่นี่นะคะมันเนีนที่ที่รถก็ตกใจมากเลยว่าเออคุณป๋าค่ะที่เป็นคุณพ่อคุณในในคือหนูมีความสนิทพอสมควร น, นะคะน่าจะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วท่านพอเรามีคือหนูเลยจะบอก <c oughs> ว, ว่านอกจากความนอกจาก ความอยากทําให้เกิดความทุกข์ความห่วงประเทศชาติ้านมันทำให้เกิดความทุกข์ความรักก็ทําให้เกิดความทุกข์ด้วยแวินาทีนั้นรู้วยชุดใจตัวเองสั่นมากว่าท่านเข้าไอซีูแล้วท่านร้องทั้งได้ได้ข่าวจากคุณแม่ว่าท่านร้องมากพอร้องมากใจเราสั่นมาก <S <S และขณะนั้นก็เกิดภาวนาขึ้นภาวนาค่อนข้างแรงมากแล้วก็อธิษฐานจิตว่าณนะวันนี้คือทั้งจิตที่ภาวนานี้คือเล่นอย่างเดียวว่า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 ก็เปิดเครื่องรับเรื่องปล่าเป็นเรื่องของเขาแล้วแล้แต่เรีนแต่กรรมบางคนไม่ได้มีเงานความดีอะไรเลยรับอะไรไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆแล้วจิตมีเรื่องอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกเยอะเลยที่อัศจรรย์ที่สุดคือจิตที่พนทุกภูมิไอัศจรรย์ที่ยิ่งกว่าสแสดงปาฏิหาริย์ต่างต่าง กระถิ่ที่วัดป่าตรีตาล์ศอ์ศนะคะมีคนเห็นข้าจาร์เปลืซึ่งหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนแบบ ว, ว่าไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักมาก่อนแต่ทราบว่าท่านปฏิบัติวิปัสน า, าแบบปุกริก็เลยมีคนเห็นท่านว่าท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียท่านได้ทําในสิ่งที่คนเห็นเป็นอาจารย์ยืนยืนอยู่แล้วก็ยืนตลอดชั้นคืนโดยที่ไม่ไหวตีก็เลยมีคนที่ก็อายุมากๆค่ะเขาให้ไปถามว่าท่านทําได้อย่างไรนะ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 แต่ว่าว่างมันไม่ได้ว่างเปล่าแ้มันไม่ได้เปล่าจากว่างเกิดราชการค่ะช่วงนี้สมาธิไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะแล้วก็เวลาที่มีสติลเลึกรู้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่แบบเแบาบแวบเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่าสติที่ลเลือกรู้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นสติตัวจริงหรือเป็นที่เราแท่งคิดไปเองสตินะถ้าไม่ได้เจตนาให้เกิด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 สภาวะที่จิตใจแข็งแข็งแน่นแน่นหนักหนักซึมชื้อมันเป็นลักษณะของอกคุโสรจิตจิตที่เป็นมหาคุโสรจิตจะมีความเบาความอ่อนโยนนุ่มนวลเข้าแค่วว่าไหวไม่ถูกนิวรไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่สึมไม่ถือ่อแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นรู้อย่างสัตวว่ารู้สัตว์ว่าเห็นได้ อย่างนี้ใช้ได้แต่บางทีจิตเราหลงไปพอเรารู้ปุ๊บเราดึงไว้ปับ๊บจะแน่นแน่นอย่างนใช้ไม่ได้ลโลภะมันเกิดก่อนมันอยากจะให้จิตอยู่กับเนื้อตัวโลภะมันเกิดแล้วเกิดกายกรํากรรมคือการดึงเราไว้ถ้าดึงไว้แนะ้าเป็นฟุ้งเมื่อวานนี้เราสึกติฟุ้งช่างวันนี้ตอนเช้าบางทีก็มีสติบางทีก็เบลอใช้ได้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 มันเจ้าลึกๆแบบไม่มีเหตุผลก<อ>็เลยไม่อยากทำแล้วปิดดีดีหลวงพ่อฟังเพลงที่ชอบที่สุดในวันฝนตกในรถ<อ>กาว่าจะไม่เอาละจะจมกับอารมณ์แบบนั้นพอฟังแป๊บนึงจูกกระชากออกมาเันที่แรงชัดกว่าเก่าอีกเหมือนหนังเอฟเฟกมันกระชากออกมาทั้งกายทั้งจิต<อ>ให้หลุดออกจากอารมณ์ที่จะฟังเพลงก็เลยหัวเราะออกมาว่า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 เราแผ่ส่วนบุญดูบ้างบางทีพวกญาติพี่น้องเราตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือก็อเห็นเรามีบุญมาขอจิตใจเข้ากระทบเข้ามาเช้าหมอเช้าแล้วแผ่ส่วนบุญไปแต่การปฏิบัติจริงๆเนี่เราจะเห็นเลยเราบังคับจิตไม่ได้อย่างเบื้องต้นเราจะบังคับจิตให้มีสติไม่ได้นี้จนมันเป็นสติอัตโนมัตินะ อยากเลิกปฏิบัติสักช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่ได้หลวงพ่อนะเป็นสมัยนู้นนานมาแล้ยี่สิบกว่าปีแล้วตรงที่หัดไปจนสติมันหัดอัตโนมัติมันไปเห็นสภาวะหนึ่งเห็นจิตที่มันไหวยิบยับยิบยับอยู่มันไหวยิบยับยิบยบอยู่ข้างในดูมาทั้งเดือนกว่าๆนะคาลคาทางอย่างนึงผ่านไปก็ไม่ได้นะก็ยิบยับยิบยับอยู่นิดนึง วิ่ไปถามหลวงพ่อพุธว่าจะทำไงดีเพราะฉะนั้นเป็นวันบูรพาจารย์ที่วัดตาสารวั้รคนเยอะเลยคนเต็มศาลาเลยหลวงพ่อไปหาหลวงก็พุธที่กุฏิท่านท่านก็สอนหลวงพ่ออยู่เป็นชั่วโมงเพื่อจะแก้ปุถนี้ให้แก้ไม่ตกแล้วล่ามาตามหลายรอบอได้เวลาต้องไปสอนที่โน้นแล้วท่าบอกที่โน้นให้โอ๋หรือสอนไป ว่าส่วนมากเขามาฟังเทศเอบุญให้ให้ฟังไปก่อนเดี๋ยวท่านใจที่หลังดูื่านพุ่มเทนะสอนจนท่านเหนื่อยนะใจเราไม่หลงธรรมดาลัทครูบาอาจารย์นะเคารพนะแต่ว่าทํายังไงอะ่ะมันไม่ไหวแล้วนะมันเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเลยนะเห็นแต่หลับทั้งตื่นทั้งหลับนะมันเห็นที่แย่ๆอยู่เ น, น, นี้ยนะเหนื่อยก็กลับมาจากหลวงก็พูดแก้ไม่ตกนะท่านก็สอนใหญ่เล ย, ยบอกว่า การปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยสติมันอัตโนมัติมันดูของมันเองความปรุงแต่งมันก็เป็นอัตโนมัติของมันก็ปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมดาของมันสอนหลักหลักเกณฑ์แต่ใจเรารู้สึกมันเหนื่อยเต็มทีแล้วนะมันทําไมมันไม่เลิกเลิกสติไม่อยากดูอันเนี้ยกลับมาบ้านมันเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบวัวกกอนเขียนไปแล้วท่านก็ตอบมาเลย คังนั้นเขียนไปนะท่านก็ตอบมาเหมือนกันะตอบมาสั้นๆบวกเราเพิ่งทําตาใหม่คงไปผ่าต้อกระจกอะไรเงี้ยบวกเราเพิ่งทําตาใหม่เขียนหนังสือยาวไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเอาเองส่งหนังสือทําติีมพร้อมเร่ ม, มโอรล์เลยเห็นหนังสือนะ่าท้อใจเลยหูเราก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะจึงก็ อ, งอ่านหนังสือเรืมขนาดนี้เพื่อจะหาคําตอบอนะหนังสือโค้งเหนื่อยยังไลแต่ท่านให้มานะก็ นับถือเคารพรักกัานมากนะยกมือกราบกราบหนังสือเลยกราบท่านนะฮะติ๊กหนังสือที่มันมุกมโอ้หน้าที่ริงกนี่แหละตอบเรื่องนี้ตอบเรื่องนี้เลยเลื้อสอนเรื่องว่ามันยิบยับยิบยับอย่างนี้แหละ ย, ยิบยับยิบยับอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาฟังแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อพุธบอกนะใจมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยมันไม่ยอม อันนั้นจะไปทํางานนะก็บอกตัวเองไปขึ้นรถเมล์เดินออกจากบ้านจะเกอขอไม่ปฏิบัติสักวันเถอะจะประคูณขอไม่ดูสักวันเถอะเหนื่อยจะแย่แล้วก็ไม่ได้ผลนะมันจะดูมันจะกัดจิตเี่ยจิตมันไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันเองมันจะดูเสร็จแล้วทำไงดีเนาะไม่เอาละวันนี้จะทำสมถะกแล้วกันมารู้ลงในใจแทน หายใจไม่กี่ทีนะหายใจไปยี่สิบแปดครั้งจิตสงบลงมา ใ, ใจถอยออกมาเนี่ยไปเห็นสภาวะยิบยับนั้นขาดไปใจสงบจิตใจมีความสุขขึ้นมาเลยนะรู้ตัวตื่นขึ้นมาเต็มที่เลยเพระที่แท้เราขาดสมถานี่ น, นี่การที่เราตามรู้ตามดูมากเข้ามากเข้านะมันเหมือนเรามีมีดอยู่อันหนึ่งเราพันต้นไม้ไปเรื่อยพันจนมีดชื่อแล้วก็ยังดืดอ้อจะฟันต่อไป นี่คือเองทำความสงบนิดเดียวเหมือนไปรับมีดมันกระทบอารมณ์ปั๊บขาดเลยจิตใจรู้สึกเหมือนลองวิเนเ <c oughs> อได้พักผ่อนแล้วเะ <c oughs> น, นเวลาเราภาวนาเนี่ยถ้าจิตมันทำงานอัตโนมัติสติอัตโนมัติแล้วห้ามมันไม่ได้ละทางเดียวที่จะพักนะันคือทำสมถะทาสมถะ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 ก็ไม่ได้สร้างสม อ, อบรมของเรามาทางด้านนั้นยุติธรรมนะธรามายุติธรรมไม่ได้ฝึกไว้มันก็ไม่มีจะใช้ฝึกไว้มันก็มีใช้นะ8โมงแล้วไม่มีเวลา